ระหว่างที่รบค่ารายการสันนิษฐานนาที่ชันสันนิษานาคคงดําเนินรายการนะคะรายการนี้เรามีพระภิกษุสองรูปรูปแรกก็คือพระมาชาควโรวัดนา ป, ปะพงลำลูกกาคลองสิบซึ่งท่านก็ได้เมตตาเรามาสม่ําเสมอเช่นเดียวกับพระในรูปที่สองพระภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซจังหวัดดอนทานีที่เราจะได้พบกันต่อไปนี้ช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะ คือนำเอาพุทธวจนะมาให้ความรู้ในคําถามต่างๆที่เป็นข้อสงสัยของพวกเรานะคะกราบในวสการท่านพิบูลน์ค่ะเจริญบาค่ะวันนี้มีคําถามที่เป็นพุทธวจนะมั้งคะเป็นผู้ปฏิบัติที่เวลิกเรนอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกได้กราบเรียนถามท่านแล้วท่านก็บอกว่าน่าจะมาถามถามคาว่าลูกศรทีนี้ดิฉันก็เห็นแต่ลูกสอนยังไม่เห็นที่ไปที่มาของลูกศรอือว่าหมายถึงอะไร ก็อยากจะกราบเรียนถามท่านว่าลูกศอนที่โยมท่านนี้ท่านถามขึ้นมาเป็นลูกศรเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ในความหมายที่ท่านสงสัยนะั้นหมายความอย่างไรค ะ, ะคืออันนี้มันเท้าความมาจากเวลาที่เรานั่งปฏิบัติเนี่ยเราจะมีเวทนาเกิดขึ้นตามร่างกายบ้างใช่ไหมสำหรับบางคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยเช่นมีปวดแข้งปวดขปวดาปวดไหล่ปวดเอวปวดหลังปวดคอพวกนี้มีหมดนะไอะอาการปวดเนี่ยมันก็เป็นภาษาอย่างหนึ่ง ซึ่งภาษานี้ปุนก็แปลงเป็นเวทนาคือทุกขเวทนา <Okay. S 1> ไอ้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นทุกขเวทนาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้บอกว่าให้มองทุกขเวทนาเนี่ย เ, เหมือนกับลูกศรคือเท้าความก่อนตั้งแต่ว่าสุขเวทนาเนี่ยนะคุณต้องเห็นว่ามันเป็นความทุกขนะทุกขเวทนาเนี่ยต้องเห็นว่าเป็นลูกศรนนะทุกขกรรมสุขเวทนาเนี่ยต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะแดีวตรัสไว้อย่างนี้ นะพอผู้รชาติตรัสงนี้ก็เลยสงสัยว่าคือเพราะว่าในคอสในหลักสูตรเราจะให้ฟังผู้วัจนะใช่ไหมตรงนี้พู้รู้ชาติตรงนี้ก็เขาคงเป็นสงสัยว่าเอ๊ะแล้วลูกศรมันเป็นยังไงนะคือลูกศรหรือว่าลูกดอกจริงๆเนี่ยในสมัยก่อนหรือว่าปัจจุบันก็ตามเราเคยเห็นที่เขาไอปลาป่าลูกดอกอะคุณโยมติ๋วเคยเห็นเนาะที่เป็นเหมือนกับดาต์เนี่ยนะค่ะไอลูกดอกเนี่ยปลายของมันเนี่ยจะแหลมมากแล้วก็แข็งด้วยเหมือนกับเข็มเลยน ะ, เ, ะเป็นเข็ม แล้วปลาไปก็ติดปักอยู่กับบนะอร์ดเนาะอนี่คือลักษณะของลูกดอดหรือลูกศรที่มีความคมความแหลมนะถ้าจะใครยังไม่เคยเห็นหรือนึกไม่ออกก็ลองนึกถึงใบมีดโกนก็ได้นะใบมีดโกนเนี่ยมันคมมากโดนนิดเดียวไม่ต้องแรงหรอกมันบาดชั่วกระชูดเลยนั่นะคือลักษณะของตันหานะพระเจ้าพูดถึงตันหาเนี่ยเป็นเหมือนกับลูกศรคือบางคนเนี่ยนั่งเนี่ยไม่อยากได้ความทุกข์แต่อยากได้ความสุข ถ้าตัวเองไม่อยากได้ความสุขอยากได้ความสุขเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะวางความทุกได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราจะปล่อยวางสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราต้องการจ ะ, จะได้แต่สุขเวทนามันคือเวทนาอย่างหนึ่งแตถ้าเราต้องการได้สุขกับเวทนาแล้วเราไม่ต้องการได้ทุกขกับเวทนาเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าสุขกับทุกขในเวทนาเนี่ยมันมาด้วยกันไงเพราะาเราจึงต้องวางความสุขด้วยวางความทุกข์ด้วยเห็นถ้าเห็นความสุขเป็นของไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเห็นความไม่ทุกข์ ก็จะปล่อยวางได้ละเราก็จะเรือแต่ความสุขใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้าจึงพูดถึงตรงนี้ว่าเออเป็นเหมือนกับลูกศรนนะลูกศรในที่นี้ก็คือต้องอันตรายต้องคอยระวังนะอย่าให้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะต้องระวังอย่าไปโดนมันนะแล้วก็ไอ้มิดโกนเนี่ยมันอับยาพิษด้วยคุณชมตต๋อมันเหมือนกับอา่าเหมือนกับลูกศร อ, อับยาพิษนะลูกศรเนี่ยคือพระเจ้าเปรียบเทียบกับตัญหายาพิษเนี่ยคือค อ, อวิชานะเพราฉะนั้นเราโดนมันนิดนึงเนี่ย มันปักเข้าไปในตัวเราเนี่ยแล้วอวิชาคือพิษเนี่ยมันก็แล่นไปอยู่ในตัวเรานี่แหละจนกระทั่ทงมันยังไม่ออกฤทธิ์แต่มันออกฤทธิ์เมื่อไหร่เราจะรู้สึกทุกข์มากเลยเจ็บมากเลยตอนตอนนั้นที่มันออกฤทธิ์เป็นลักษณะของลูกศรที่เวลาทิ่มไปแล้วเนี่ยละตัวมันก็หักออกไปถ้าเราเคยเห็นเวลาเขายิงลูกปืนนะคุณยมติวม๋วไอ้หัวกระสุนเนี่ยมันจะฝังเข้าไปในตัวเราแล้วไอ้ตัวกระ บ, บอกกระสุนเนี่ยมันโดดออกไปต้งนานแล้วเช่นเดียวกันไอ้ตัวลูกศรเนี่ยมันหักไปแล้ว ในเหลือแต่หูลูกศรมันปักคาอยู่ในตัวเรา <คะ S 1> เราก็จะต้องคอยถอนลูกศร น, นี้ออกด้วยการที่ใช้เครื่องเอ็กซเรย์หานั่นคือสติใช้ <คะ S 1> มีดปาดออกนั่นคือปัญญาคะ่ะในในเรื่องลูกศร น, นี้ก็เป็นอุปมาอุปไมยที่พระเจ้าเปรียบเทียบเฉยถ <คะ S 1> ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นอันตรายแล้วไม่ยุ่งกับมันนี่ก็ดีที่สุด ล, ละค่ะดังนั้นขอให้รู้ว่าชีวิตของพวกเรานี้ เหมือนกับเป็นเป้าของลูกศรอยู่ตลอดเวลาดิฉันพูดอย่างนี้ถูกไหมคะถ้าใค ร, บบาารใช่ใครยังมีขันห้าที่ต้องไปยึดถืออยู่อันนี้คุณเป็นเป้เปาแน่นอนถูกมารเลงได้ยิงได้ตลอดนะคะก็ะความแหลมคมของลูกศรนั้นเหมือนตันหาที่อาจยาพิษคืออาวิชาใช่จะต้องใช้สติปัญญาค่ะแล้วตอนที่เราถูกยิงเนี่ยเราไม่รู้ตัวสมมติใครมาแอบยิงข้างหลังเราเนี่ยเราไม่ได้เจ็บไม่อะไรนะแต่พิษมันออกแล้วแล้วหมุดมันฝังยงไหน เราจะรู้สึกเจ็บเนี่ยก็ต่อเมื่อเราเจอสิ่งที่เราไม่น่าพอใจแลเราจะเจ็บรื่องอย่างเช่นคนที่เรารักมาทรยศหักหลังเราหน้าที่ตำแหน่งการงานที่มีปัญหาไปโดยฉพรันเงินที่เก็บสะสมไว้หายหมดอย่างเงี้ยนั่นแหะคือตอนที่มันออกถูกยิงเนี่ยเราไม่รู้ตัวแต่ตอนที่เราไปมีความรักในมันเนี่ยเราไม่รู้ตัวละแต่พอที่มันหายไปเนี่ยโอ้โหพี่มันออกนี่มันเจ็บมากเลยเนี่ยนี่แหละเนี่ยต้องระวังตอนพอใจจริงๆมันก็รู้แต่มันเป็นความดีมันก็เลยไม่ได้รู้แบบเพลินไงเขาเรียกคอรมาน มันเพลิน น, น, นเพลินไปงสงสัยท่านจะต้องพูดเรื่องแบบนี้ทุกวันไปเป็นตัวอย่างอื่นๆเพราะว่ามันอยู่กับเราทุกวันนี่คะ่ะพอพ้นหน้าพระอาจารย์ไปก็จะลืมกัน <c oughs> ไปดำเนินชีวิตตามปกติกระแม่ลูกสอนปักไม่รู้กี่ดอกเลยใช่บางคนนี่นะถูกปักจนพรุนน่ะ เนี่ยเพราะว่ารักสิ่งนี้แล้วก็ไปรักสิ่งนั้นรักลูกรักเมียรักบ้านรักตำแหน่งรักรถรักอะไรแล้วปรากฏน้ํามาเนี่นะโอ้โหมันท่วมหมดเลยเนี่ยท่วมหมดเลยเนี่ยโอ้โหมันแทบจะตายเลยนะคือบางคนอกแตกตายอ่ะดิฉันเข้าใจว่าถ้าจะให้คิดตามลูกศรเนี่มันติดทุกอนูของร่างกายของมนุษย์เราทุกคนเพียงแต่บางคนเนี่ยสามารถที่จะใช้สติ ใช้ปัญญาไปจัดการได้ใช่เป็นถูกไหมคะเพราะว่าโดยธรรมชาติเหตุปัจจัยเนี่ยมันทําให้ของพวกเนี้ยมาติดกับเราอยู่แล้ว<ม>ตันหากับกับชาชาไหมคะพี่เนี่ติดนานหรือว่าติดแล้วปลดปล่อยได้เร็วมากกว่าอืมพอมันปักปักปักเข้ามาเนี่ยเราต้องรีบถอนออกถอนออกถอนออกเพราะว่าจิตเรามันยังมีมันยังเกาะเกี่ยวอยู่นะมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะโดนปักโดนที่มัโดนแทงอะไรเพรา ะ, ะนั้นการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยคุณตื่นตามมาตอนเช้าคุณนั่งสมาธินิดนึง เพื่อถอดลูกศรออกบ้างถอดเสี่ยนหนาออกบ้างหนาระหว่างวันคุณอย่าไปหามาสติดเพิ่มไปอย่าไปเที่ยวปักตรงนู้นปักตรงนี้อีกอย่างเงี้ยก็สบายล่ะหญิงคิดว่าเราอาจจะมีความรู้อย่างอื่นเยอะแยะไปหมดแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดกับตัวของเราเกิดกับจิตของเราแล้วก็เกาะกินตัวของเราไปตลอดหากเราไม่รู้เท่าทันด้วยการรู้ธรรมะที่พระศาสดาสอนนะคะเราก็จะต้องอยู่กับลูกศรนี้ไปแบบ สุดท้ายลูกศรทิ่มแทงแล้วหาทางที่จะปลดปล่อยจากผลพวงของการถูกทิ่มแทงงลูกศรไม่ได้นี่ต้องถือว่าเป็นโอกาสอันดีฟังไปเรื่อยๆเลค่ะเพราะดิฉันจะบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยก็ฟังทำมานานต้องมีการฟังย้ำฟังซ้ำไค้ครวนแล้วไค้ครวญอีกนํามาปฏิบัติแล้วมันก็จะพบด้วยภารกิจของเรานะคะว่าบางเวลามันปฏิบัติยากดีนะคะท่านใช่มันจะมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตแต่เอาอย่าท้อ อดมากก็จะเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับเอเราเรากินข้าวเสร็จเนี่ย น, นะเราก็ต้องแปลงฟันนะคะ่ะถ้าเราจะไปคิดว่าโอ้ยแปลงฟันเดี๋ยวเดี๋ยวพรุนี้ก็กินอีกวันนี้ไม่ต้องแปลงหรอกอุ้ยมันคิดไม่ถูกนะ <c oughs> หรือว่าเย็นนี้อาบนะโอ้ยไม่ต้องอาบหรอกเดี๋ยวพรุนี้ก็อาบอีกพรุนี้ก็เดี๋ยวก็เลิอก อ, อีกไม่ต้องอาบหรอกวันนี้น <c oughs> มันคิดไม่ถูกอะะ่ะค่ะแต่ถ้าเราจะบอกว่าเออ ย, ยังไม่ต้องปฏิบัติธรรมหรอกเดี๋ยวแก่ก่อนแล้วค่อยทำคุณคิดไม่ถูกเลย เพราะว่าจิตคุณเนี่ยถูกทิมถูกตําอยู่ตลอดเวลาระหว่างไปทํางานระหว่างไปโรงเรียนระหว่างไปที่ไหนก็เจอใครก็แล้วแต่มีภาษามันถูกตําหมดนะตํามากตําน้อยกันนั่นเองค่ะทีนี้บางคนบอกโอ้ยจะมาพูดเรื่องภาษะตามเติมโนู่นนี่อยู่ทําไมเอ่ยที่กําลังหวาดระแวงกับเรื่องฝนตกน้ําท่วมหรือเปล่าอยู่เนี่ยรัฐบาลเอาอยู่เอาไม่อยู่อย่างเงี้ยนะคะเออท่านคิดว่าในเรื่องของทางธรรมะที่จะไปทําให้จิตของเราหรือว่า เราไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลเรื่องนี้มากเกินเหตุแล้วก็เผชิญหน้ากับหากจะมีนะคะไม่มีก็แล้วไปได้ดีที่สุดอย่างไรแต่ในส่วนของที่ฉันซึ่งทำงานใกล้ชิดรัฐบาลก็ต้องขอยืนยันในรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการทำงานที่เรามีการตั้งศูนย์ที่เขาเรียกว่าเป็น single command คือทุกอย่างมารวมศูนย์อยู่จุดเดียวในการบัญชาการการทางานไปสู่การปฏิบัติจะได้เป็นระบบไม่ ทำแบบงกๆกเงื่อนเงืนหรือว่าตก อ, อกตกใจกันจนเกินไปไม่มีสติแต่นี่จะเป็นการทํางานแบบมีสติอย่างเชิงระบบเนี่ยนะคะพัก อ, อยู่แล้วอย่างเต็มที่ในทุกสัสดส่วนดิฉันยืนยันค่ะทีนี้มาถึงคําตอบของท่านเลยค่ะที่อยากขอค่ะก็คือว่าไอ้ที่พูดถึงพระจระอะไรเนี่ยก็คือว่าการฟังข่าวนั่นเองนะคือบางทีน้ํายังมาไม่ถึงแต่เราฟังข่าวเนี่ยเราก็ชื่อว่าถูกตำละทีหนึ่งทุกทิ่มละทีหนึ่ง แตนะ่ถ้าเรามีความกังวลเกิดขึ้นปุ๊ บ, บนี่ยแสดงว่าพีมันออกนะพีดมันออกเนี่ยไอย้ตอนที่เราตาเนี่ยเราไม่ถูกรู้สึกตัวเลยนั้นก็เพราะว่าการที่เราไปยึดติดจับยึดในสิ่งของข้าของอะไรที่เรามีนะคือนี้อามากําลังจะพูดถึงเรื่องของจิตเท่านั้นนะเราไม่ได้พูดถึงว่าไอ้คุณทิ้งบ้านไปเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ใช่องั้นนะอันนั้นคุยคุณยังไงคุณกูต้องทําตามระบบที่คุณต้องทํานะ ใ, ใครทําหน้าที่อะไรก็ทําไปแต่ไอ้ความในจิตของเราเนี่ยทำยังไงไม่ให้เราเป็นทุกข์ นะก็คือว่าเราต้องคอยมีสตินั่นเองนะคือตอนที่เราถูกตำเนี่ยเราไม่รู้แต่พอเห็นฟังขังข่าวปุ๊บมันจีดนะเด่ดาคนนุ่นเดี๋ยด่าคนนี้พอจีดแล้วเนี่ยปีตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเริ่มออกอาการนะคือด่าคนนั้นด่าคนนี้เขียนข้อความในอินเทอร์เน็ตแรงต่างนานาใช่ไหมค <c oughs> ่ะแล้วก็พอเราจะแก้ตรงนี้ได้เราต้องถอยกลับไปก่อนเอ๊ะเราถูกตำตอนไหนเราถูกทิมตอนไหนเดวเวลาที่ที่จะมาบอกค่ะว่าเราที่คุณยมติวบอกว่าต้องทําย้ำยํ ำ, ำ, ทำๆทําบ่อยๆทําซ้ำๆทำเรื่อยๆเนี่ยนะ นั่นคือการที่เหมือนกับเรากวาดบ้านน่ะคือไม่ใช่ว่าเรากวาดวันนี้แล้วพอละอีกอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งแล้วไม่ต้องกวาดแล้วไม่ใช่นคัคือคุณก็ต้องกวาดอยู่ดีกว่าทุกวันทำความสะอาดทุกวันแตเพราะเรามีภัสสะอยู่ตลอดเวลาเรามีภัสสะอยู่ตลอดเวลาเราจะป้องกันยังไงนั่เราก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเอาทำได้ไหมทําไม่ได้ไม่เป็นไรขอสักวันหนึ่งเช้าเย็นหรือว่าเป็นวันไหนเวลา ไ, ไหนรู้สึกได้ก็ขอให้มีน น, นี้จะเป็นการถอนลูกศร อ, ออกโดยที่เรารู้อยู่ว่าเราถอนออกนะ มันก็จะค่อยเจ็บน้อยลงแล้วค่อยๆทำไปทำไปทาไปลูกสองมันปักมากอยู่มันก็ต้องใช้เวลาในการดึงออกบ้างนะด้วยการที่ค่อยมีสีลอนไปใช้เรื่อยๆนะแล้วก็มีอะไรก็หยุดตั้งอยู่ในศีลไม่ได่ากันไม่ว่ากันนะให้ผู้ใจดีๆให้สามัคคีกันเนี่ยเราจะสบายละค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะได้เอาธรรมะเข้าไปช่วยอีกทางหนึ่ง <Okay. S 2> แล้วก็สามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วย uh, ใช่ไหมคะเนี่ยเออแล้วสิ่งที่จะเกิดตามมาคุณโยมติว๋วประสิทธิภาพในการทํางานในการคิดในการแก้ปัญหาของเราจะดีขึ้นมากนะเนื่องาะว่าไอ้ความกังวลเนี่ยนะความกังวลที่มันเกิดจากพิษของไอ้เจ้าตันหากับไอ้ิชาเนี่ยพอมันพิษมันออกแล้วจะมีความกังวลเราจะมีความปวดหัวเราจะมีความเครียดไอ้ความเครียดความปวดหัวความกังวลเนี่ยมันจะเป็นผลทําให้เราเนี่ยคิดงานไม่ออกแก้ปัญหาได้ไม่ดีปัญหาเฉพาะหน้าไม่สามารถคิดแก้ได้ นะถ้าเรามันเอาพิษของมันตรงนี้ออกไปแล้วนะเราก็จะคิดงานได้คล่องเปลือมากขึ้นสมองโล่งมากขึ้นสบายใจมากขึ้นในเห็นทางออกที่ดีขึ้นสว่างขึ้นไปได้ว่ามีประโยชน์หลายอย่างเดียวะนะคะเน้นความสามารถในการแก้ปัญหาของคนแต่ละคนที่เขาประสบความสําเร็จมากน้อยแตกต่างกันน่ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เขาเป็นคนที่มีสติแตกต่างกันด้วยตรงตรงนี้แหละคือกําลังจิตไงกําลังจิต ในเรื่องของการที่ทำจิตให้มีกําลังสติช่วยได้สมาธิช่วยได้ความเพียรช่วยได้และในการใช้ชีวิตนี่ดูเหมือนกับว่าถ้ามีสติเป็นเครื่องมือจะใช้ได้ในทุกๆอย่างตลอดชีวิตเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าตรัสรู้นะพระเจ้าบอกว่าสติเนี่ยคือหนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อความก้าวล่วงหมดจดบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อ ละเสียซึ่งความทุกข์ละโมนัสคือเป็นทางเดียวตลอดเลยล่ะวางั้นเถอะตั้งตั้งแต่จากละเอียดน้อยไปถึงละเอียดมากก็สติอันนี้เท่านั้นเองค่ะงั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่วันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ประโยชน์มากที่สุดอีกวันหนึ่งเพราะว่าทุกอย่างที่พยายามกลับเรียนถามท่านพบูเนี่ยไม่ใช่ถามเพื่อเป็นความรู้รอบตัวเท่านั้นนะคะ แต่จะต้องเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของเราสามารถจะมาใช้กับเรื่องตัวเองกันได้ทุกๆกคนในแต่ละวันมันก็เหมือนฟังไปแล้วนี่ต้องไปฝึกใช้ด้วยไหมคะท่านมันถึงจะเกิดความชํานาญเ อ, อ่อคือฟังเนี่ยคือฟังความรู้ของผู้รู้ชาวเฉยนะยังไม่ใช่ความรู้ของเราเนะีเราฟังเราฟังไปเนี่ยคือฟังความรู้ของหอนึ่งนะีจะมากลายมาเป็นความรู้ของเราก็ต่อเมื่อเราเอาไปใช้จริงๆแล้วเรารู้จริงๆใน ใ, นใจของเรานั่นถึงจะเป็นความรู้ของเรา คเราถึงจะเรียกว่ารู้จริงๆอ่ะในกรณีนั้นต่นเองค่ะท่านคะก็ยังไงวันนี้เราคงจะพอควรแก่เวลานะคะเย็นวันก็ส่งท้ายกันด้วยทอดกระถินวันไหนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะท่านเอ่อวันที่สิบอ็ดพฤษจิกายนสิบเอ็ดพฤษจิกายนใช่ใครสะดวกเชิญไปที่อุดรวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหารไปที่ท่ารถฐานหาสะดวกมากสนามบินก็ได้นะคะ แต่ว่าถ้าจะส่งศรัทธาไปทางปรายสีอยขออภัยค่ะทางธนาคารทางการทำธุรกรรมของธนาคารก็ส่งไปที่บัญชีวัดป่าดอนหายโศกธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรบิ๊กซีเลขที่950ขีด0 04474ขีด9 นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านไพบูปุลไว้ในะโอกาสนี้นะคะเชิญบานท่านฟังที่ครบค่ะทีฉันก็ข อ, อนมโมทนาสําหรับท่านที่จะทำบุญอรายการสนทนีสนทนานะคะอยากจะกราบน้อมสักการขอบพระคุณที่ท่านได้เมตตานําเอาธรรมะมาฝากกับพวกเราทําให้การดําเนินชีวิตของพวกเรามันไม่เคว้งคว้างหาทางออกอย่างถูกต้องไม่ได้ราการนี้เราจะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ